วิธีที่หอภัยโลกโลกนี้กลหวนวุ่นวายอยู่เป็นนิดก็โดยความกระทบกระทั่งนาน า, นาและในเมื่อทุกคนอาศัยอยู่ในโลกก็ย่อมต้องถูกโลกกระทบกระทั่งเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วโลกก็เต็มไปด้วยไอร้อนของควันไฟอันเกิดจากใจแค้นเคือง ไม่ค่อยมีที่ไหนช่ำเย็นด้วยกระแสน้ำแห่งการให้อภัยเท่าใดนักปกติคนใกล้ตายจะไม่นึกอยากเอาเรื่องเอาราวกับใครอีกเพราะไหนไม่ช้าก็ต้องอยู่คนละโลกกันแล้วเอื้อมมาแตะต้องกันไม่ได้อีกแล้วการตายของคนคนหนึ่งคือการปิดเกมแห่งการเบียดเบียนเปรียบเหมือนนักมวยที่แขวนนวม เลิกใช้ชื่อเดิมขึ้นเวทีอย่างเด็ดขาดแล้วอย่างไรก็ตามความพยาบาทอาคาตอาจทำให้เรื่องปกติกลายเป็นสิ่งผิดปกติไปหลายคนยังผูกใจเจ็บยังนึกไปในทางเครียดแค้นอยากเอาคืนเสียดายไม่อยากตายตอนนี้เพราะยังไม่ทันได้เอาคืนให้หนำใจหรือกระทั่งคิดเลยเถิด ถึงขั้นประกาศสักดาชัดว่าคอยดูเดี๋ยวกูเป็นผีก็จะมาเอามึงคืนแน่นอนเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆแถมไม่ใช่ของหายากซิด้วยเพราะคนจำนวนมากปล่อยให้ความแค้นเป็นใหญ่ครอบงมจิตใจตัวเองไม่ให้ความสำคัญกับความสุขความสบายใจมากเท่าการได้ชำระแค้นกัน ก่อนกายนี้สิ้นลมเรารู้ว่าวิญญาณอาฆาตมีจริงด้วยความคิดฝังใจไม่อภัยศัตรูสิ่งที่ไม่รู้ก็คือหลังกายนี้สิ้นลมวิญญาณอาฆาตนั้นยังมีจริงต่อไปไหมนี่แหละคนเราทนทุกข์ทนร้อนด้วยไฟโกรธขณะมีชีวิตไม่พอแม้ธรรมชาติ ให้โอกาสจบทุกจบร้อนด้วยความตายก็ยังอุตส่าห์อยากเติมเชื้อไฟต่ออายุให้มันเข้าไปอีกสิ่งเดียวที่ประกันความรู้ได้แน่นอนก็คือระหว่างยังไม่ตายเนี่ยคุณสามารถดับวิ ญ, ญญาณอาฆาตลงได้ด้วยความคิดให้อภัยและเมื่อเชื้อแห่งทุกข์ร้อนดับลงแล้วหลังตาย ก็ไม่น่าหลงเหลือวิญญาณอาฆาตอยู่ณที่ใดอีกค่อยๆนึกถึงใครก็ได้ที่คุณผูกใจเจ็บอยู่และที่ผ่านมาไม่เคยนึกอยากให้อภัยแม้ว่าเขาหรือเธอจะเป็นอดีตที่ฝังลืมไปแล้วปัจจุบันคุณไม่นึกถึงอีกแล้วก็ขอให้ขุดเขาและเธอขึ้นมาระลึกถึงนึกให้ออกทีละคน หากโทรศัพท์ได้ทันก็โทรศัพท์ไปขออภัยขออโหสิกรรมต่อกันยิ่งดีคุณจะพบว่าใครต่อใครในชีวิตที่ผ่านมารวมตัวกันประกอบขึ้นเป็นโลกในใจคุณยิ่งคิดอโหสิได้มากคนขึ้นเท่าไหร่โลกในใจของคุณจะยิ่งปลอดโปร่งโล่งเบาขึ้นเท่านั้นและนั่นย่อมจะยิ่งทำให้ทิ้งร่างนี้ ด้วยใจอภัยโลกเต็มดวงขึ้นด้วยสิ่งที่คุณจะรับรู้ก่อนตายหลังอภัยโลกได้ก็คือใจที่สบายหายห่วงแต่ละครั้งที่คุณพูดกับปากหรือเพียงนึกด้วยใจบริสุทธิ์แท้ว่าเลิกแล้วต่อกันนะไม่มีภัยเวรไม่มีเส้นสายมืดดำ โยงใหญ่ระหว่างใจกันอีกแล้วนะคุณจะชื่นมืน่นเห็นความเป็นโมคะแห่งภัยเวนมากขึ้นเรื่อยๆจนสว่างจ้าออกมาจากกลางใจชัดเจนทีเดียว